ห้าวิญญาณขันธ์ทุกกะมูลกะวาระบรรดาขันห้านั้นวิญญาณขันธ์เป็นชนวิญญาณขันธ์หมวดหนึ่งได้แก่ วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุด้วยพัสสะวิญญาณขันธ์หมวดสองได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภยากริสก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละสีได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นกลามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มี ที่ไม่นับหนึ่งในวัฏทะทุกก็มีวิญญาณขันโหมดละห้าได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุดด้วยสุขินรี่ก็มีที่สัมปยุดด้วยทุกขินรี่ก็มีที่สัมปยุดด้วยสมณสินสี่ก็มีที่สัมปยุดด้วยโทมนสินสี่ก็มีที่สัมปยุดด้วยโอเบกขินรีย่ก็มีวิญญาณขันโหมดละห้ามีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันโหมดละหได้แก่จกขูวิญญาณโสตะวิญญาณ กาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณวิญญาณขันโหมดละ6มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันโหมดละเจดได้แก่จะขววิญญาณละถึงกายาวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุวิญญาณขันโหมดละเจมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันโหมดละ8ได้แก่จะขววิญญาณกายาวิญญาณ ที่เสะหราคดด้วยสุขก็มีที่เสะหราคดด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์หมวดละแปดมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมวดละเก้าได้แก่จักขรวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพญากฤิก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละเก้ามีด้วยอาการอย่างนี้ วิญญาณขันโหมดลสิทธิ์ได้แก่จากขววิญญาณกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นอุปสนก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤิก็มีวิญญาณขันโหมดลสิทธิ์มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันโหมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะวิญญาณขันโหมดละสองได้แก่ วิญญาณขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุดด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุดด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุดด้วยทุกขมสุขเวทนาก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีวิญญาณขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ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 วิญญาณขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีวิญญาณขันธ์ที่สหรโคด้วยปีติก็มีที่สหอรโคด้วยสุขก็มีที่สหรโคด้วยอุเบกขาก็มีวิญญาณขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มี วิญญาณขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมัคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคและมัคเบื้องบนสามก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นของเสขาบุคคลก็มีที่เป็นของอาเสขาบุคคลก็มี ที่ไม่เป็นของเสขับุคคลและเสขับุคคลก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นปริตะก็มีที่เป็นมหคัตะก็มีที่เป็นอปมาณะก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปราณิก็มี วิญญาณขันธ์ที่มีสภาว LIKE ะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีมากเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมากเป็นเหตุก็มีที่มีมากเป็นอธิปดีก็มีวิญญาณขันธ์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มี ที่เป็นปัจจุบันก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีทำภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีและถึงวิญญาณขันหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมดละหนึ่งได้แก่ enes. วิญญาณขันที่สัมบตยุทธ์ด้วยภัสสะวิญญาณขันหมดละสองได้แก่ในในวิญญาณขันที่สัมบตยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปยุทธ์จากเหตุก็มีวิญญาณขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเ ห, เหตุและไม่มีเหตุก็มี วิญญาณขันธ์ที่เป็นโลกียะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีวิญญาณขันธ์ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุจจากอาสวะก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุจจากอาสวะ และไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปะยุด้วยสังโยกก็มีที่วิปปะยุจจากสังโยกก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปปะยุจจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีที่วิปปะยุจจากสังโยต์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยกก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มี วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยคันถะก็มีที่วิปปยุทธ์จากคันถะก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปปยุทธ์จากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่วิปปยุทธ์จากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยโอคาก็มีที่วิปปยุทธ์จากโอคาก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปปยุทธ์จากโอคะ แต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปยุติจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุติด้วยโยคะก็มีที่วิปยุติจากโยคะก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปยุติจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปยุติจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มี วิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมปยุด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปปะยุจากนิวรณ์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปปะยุจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปปะยุจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของปรามาก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาก็มี วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุด้วยปรามากก็มีที่วิปปะยุจจากปรามากก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปปะยุจจากปรามากแต่เป็นอารมณ์ของปรามากก็มีที่วิปปะยุจจากปรามากและไม่เป็นอารมณ์ของปรามากก็มีวิญญาณขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิ ind, ยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีวิญญาณขันธ์ที่สัมบยุทธด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุทธ์จากอุปาทานก็มีวิญญาณขันธ์ที่วิปยุทธ์จากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุทธ์จากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีวิญญาณขันธ์ที่กิเลสทําให้เศร้าหมองก็มี กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองก็มีวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุทธ์จากกิเลสก็มีวิญญาณขันท์ที่วิปยุทธ์จากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุทธ์จากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีวิญญาณขันท์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมาก็มีวิญญาณขันท์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มี ที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีวิญญาณขันธ์ที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารณก็มี วิญญาณขันธ์ท no uh ี <off les sent oper> <subscribe> ่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีวิญญาณขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีวิญญาณขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีวิญญาณขันธ์ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรโคด้วยอุเบกขาก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นกลางาวจรก็มีที่ไม่เป็นกลางาวจรก็มี วิญญาณขันธ์ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีวิญญาณขันธ์ที่นับหนึ่งในวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่นับหนึ่งในวัฏทุกข์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีวิญญาณขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มี วิญญาณขันธ์ที่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมเอื่นยิ่งกว่าก็มีวิญญาณขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤิตก็มีและถึงวิญญาณขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญ mm hmm. like าณขันธ์หมวดละหนึ่งได้ <means> <ปะ S 1> แก่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 วิญญาณขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีละถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิทธิ์มีด้วยอาการอย่างนี้ทุกกะมูลกะวาระจบติกะมูลกะวาระวิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมยุญด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่ วิญญาณขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีและถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่วิญญ ager, าณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะวิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มี ที่วิปยุตจากเหตุก็มีละถึงวิญญาณขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีละถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมยุญด้วยผัสสะ วิญญาณขันธ์โมลละสองได้แก่วิญญาณาขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีวิญญาณาขันธ์โมลละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีม ว, ม ว, มวิญญาณาขันธ์ที่เป็นวิบากก็มีละถึงวิญญาณาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีทำภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีละถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยภัจจาวิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่วิญญาณขา 2, ันธ์ญญที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปยุทธ์จากเหตุก็มีละถึงวิญญาณขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มี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 ปูพโตวัตตะวาระวิญญาณขันโหมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมบุญด้วยภาษะวิญญาณขันโหมดละสองได้แกว่วิญญาณขันที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันโหมดละสามได้แกว่วิญญาณขันที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอภิยักหรก็มีละถึงวิญญาณขันโหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุดด้วยภาษะวิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุดด้วยเหตุก็มีที่วิปยุจจากเหตุก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุดด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุดด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุดด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีละถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้ วิญญาณขันโหมดละหนึ่งได้แก jar, วญญดดว่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะวิญญาณขันหมดละสองได้แก่วิญญาณขันที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีวิญญาณขันหมดละสามได้แก่วิญญาณขันที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีละถึง วิญญาณขันธ์หมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะวิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นโลกียะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กล้มอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ boa. ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีละถึงวิญญาณขันโหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขัน <whats tab? S 2> ์หมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะวิญญาณขัน์หมดละสองได้แก่วิญญาณขันที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มี ที่จิตบังดวงรู้ไม่ได้ก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีละถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สังประยุทธ์ด้วยัสษา วิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีและถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่ วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุทธ์จากอาสวะก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สหรโคตด้วยปีติก็มีที่สหรโคตด้วยสุขก็มีที่สหรโคดด้วยอุเบกขาก็มีและถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่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 ละถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมบูญด้วยภาษะวิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่วิญญาณขันธ์ดดะะญญญญที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี ที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มีละถึงวิญญาณขันโหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันโหมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะวิญญาณขัน์หมดละสองได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิปยุทธจากสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันโหมดละสามได้แก่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 ที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีวิญญาณขันโหมดละสามได้แก่วิญญาณขันที่เป็นของเสชาบุคคลก็มีที่เป็นของอาเสขาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสชาบุคคลและอเสขาบุคคลก็มีและถึงวิญญาณขันโหมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันโหมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยภาษาวิญญาณขันโหมดละสองได้แก่ วิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหากตะก็มีที่เป็นอปประมาณะก็มีและถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะวิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่ วิญญาณขันธ en, ์ท ouais oh, oh, ี่สัมปยุทธ์ด้วยคันธะก็มีที่วิปยุทธ์จากคันธะก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคัตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปมาณะเป็นอารมณ์ก็มีละถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่ วิญญาณขันธ์ที่วิปยุจจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่วิปยุจจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปราณีก็มีและถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ญญที่สำปรยุทธ์ด้วยภาษะ วิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก ER. ่วิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีและถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่ วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตธ์ด้วยภาษะวิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยโอคาก็มีที่วิปยุทธ์จากโอคาก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิปดีก็มีละถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่ วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะวิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่วิญญาณขันธ์ที่วิปยุทธ์จากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปยุทธ์จากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีละถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ วิญญาณขันธ์หมดละหนึ so so so ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะวิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีและถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมดละหนึ่งได้แก่ วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยพัสสะวิญญาณขันธ์หมดละสองได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยโยคะก็มีที่วิปยุทธ์จากโยคะก็มีวิญญาณขันธ์หมดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีอเดตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีละถึงวิญญาณขันธ์หมดละสิบมีด้วย อ, อาการอย่างนี้ วิญญาณขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะวิญญาณขันธ์หมวดละสองได้แก่วิญญาณขันธ์ที่วิปยุทธจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปยุทธจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีและถึง วิญญาณขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยภาษะวิญญาณขันธ์หมวดละสองได้แก่วิญญาณขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละสามได้แก่วิญญาณขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีและถึงวิญญาณขันหมวละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้อุพโตวัฏกะวาระจบพระโหวิทะวาระ วิญญาณขันธ์หมวดละเจ็ดได้แก่วิญญาณขันธ right eh ์ lands, ที่เป็นก hey, ุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีที่เป็นกลามวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับหนึ่งเหนือวัตทุก์ก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละเจ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมวดละเจ็ดอีกหมวดหนึ่งได้แก่วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี ที่สัมปยุด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุดด้วยอุทุกขมสุขเวทนาก็มีที่เป็นกลามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่มีนับหนึ่งเนิ้อวตทุกข์ก็มีและถึงวิญญาณขัน์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่เป็นกลามาวจรก็มี ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับนึ่งในวัตทุกก็มีวิญญาณขันธ์หมวดละเจ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมวดละยีบสีได้แก่เพราะจากกุสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันธ์ที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอพยกฤิดหนึ่งจึงมีเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัย เพราะชิวหาสัมผัสเป็นป <ety> ัจจ mm. ัยเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันธ์ที่เป็นขุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอภยยากฤิศหนึ่งจึงมีจากขู่วิญญาณละถึงมโนวิญญาณวิญญาณขันธ์หมวดละ24มีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมวดละ24อีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัย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 เพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์หนึ่งที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์หนึ่งที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์หนึ่งจึงมีจากขวาวิญญาณละถึงมโนวิญญาณวิญญาณขันธ์หมวดละ24่ี่เมด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันธ์หมวดละ30บได้แก่ เพราะจักปุสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันธ์ที่เป็นกามวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่มีนับหนึ่งในวัตถุหนึ่งจึงมีเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะขานะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะฉิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันธ์ที่เป็นกามวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่ง ที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่มีนับหนึงในวัตทุหนึ่งจึงมีจักขวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณขันหมวดละสามสิบมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละมากอย่างได้แยเพราะจากักขวสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขั น, us us 1, ท, น, 1, ท, น 1, ที่เป็นกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอพยากริตหนึ่งที่เป็นกลามาวจรหนึ่งที่เป็นรูปาวจรหนึ่ง ที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่ไม่นับหนึในวัตถุหนึ่งจึงมีจากขุวิญญาณมโนวิญญาณเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขันที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอกุศลหนึ่งที่เป็นอพยกฤตหนึ่งที่เป็นกามาวจรหนึ่ง ที่เป็นรูปาวจรหนึ่งที่เป็นอรูปาวจรหนึ่งที่มีนับหนึงในวัตถุหนึ่งจึงมีจากขุวิญญาณละถึงมโนวิญญาณวิญญาณขันหมวดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้วิญญาณขันหมวดละมากอย่างอีกหมวดหนึ่งได้แก่เพราะจากปุสัมผัสเป็นปัจจัยวิญญาณขัน์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกเวทนาหนึ่ง ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาหนึ่งจึงมีและถึงวิญญาณขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่เป็นกลามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่มีนับหนึ่งในวัตถุก็มีเพระาะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเพราะขานะสัมผัสเป็นปัจจัย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 ที่มีนับหนึ่งในงวัตถุกขก็มีจากขุวิญญาณละถึงมโนวิญญาณวิญญาณขันหมดละมากอย่างมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าวิญญาณขันพระหุวิทวาระจบอภิธรรมภพาชนี ปุจจกะขันห้าคือหนึ่งรูปขันสองเวทนาขันสามสัญญาขันสี่สังขารขันห้าวิญญาณขันเติกกะมาติ ก, กาปุจฉาทุกกะมาติ ก, กาปุจฉาบรรดาขันห้าขันเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤิและถึงเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ อะไรไม่เป็นเหตุ ใ, ให้สัตว์ร้องไห้หนึ่งเตะกะมาธะกาวิสัชนาหนึ่งกุศลตึการวิสัชนารูปขันเป็นอัพยกฤิขันสีที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยกฤิก็มีสองเวทนาตึกกะวิสัชนาขันสองกล่าวไม่ได้ว่าสามประยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา หรือสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาขันธ์สาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีสวิปากตะติตรกวิสัชนารูปขันธ์ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากขันธ์สี่ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี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 ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีห้าสังกิเละถึ ก, กะวิสัตนารูปขนันกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสขันสี่ที่กิเลส ท, ทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี หสวิตตะกะติกะวิสัชนารูปขันไม่มีทั้งวิตกและวิจารขันสามที่มีทั้งวิตกและวิจางก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจางก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจางก็มีสังขารขันที่มีทั้งวิตกและวิจางก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจางก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจางก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกและวิจาน ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์หรือไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีเจปีติติีกะวิสัชนารูปขันกล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุบเบกขาเวทนาขันที่สหรคตด้วยปีติแต่ไม่สหรคตด้วยสุขและไม่สหรคตด้วยอุบเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติก็มี ขันสามที่สหาโรคด้วยปีติก็มีที่สหาโรคด้วยสุขก็มีที่สหาโรคด้วยอุเบกขาก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าสหาโรคด้วยปีติสหาโรคด้วยสุขหรือสหด้วยอุเบกขาก็มี8ทัศนะติกกวิสัชนารูปขันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื่องบนสามขันสี่ที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มี ที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มี 9. ทัศนเหตุตุระวิสัชนารูปขัน์ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามขันสี่ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโซดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามก็มี อาจยะคามิติกะวิสัชนารูปขันธ์ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานขันธ์สี่ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสิบเอ็ดเสขติกะวิสัชนารูปขันธ์ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอสเสขาบุคคล ขันธ์นสคคี่ที่เป็นของอเสชาบุคคลก็มีที่เป็นของอาเสชาบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสชาบุคคลและอาเสชาบุคคลก็มี 12. ปริตฐะถึกกวิสัชนารูปขันธ์เป็นปริตฐะขันธ์สี่ที่เป็นปริตฐะก็มีที่เป็นมหกักตะก็มีที่เป็นอัปปมามณะก็มี 13. ปริฏารมณะถึกกวิสัชนา รูปขันธ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้ขันธ์สี่ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปมานะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอภปมานะเป็นอารมณ์ก็มีสิบสี่เหีนติกะวิสัชนารูปขันธ์เป็นชั้นกลางขันธ์สี่ที่เป็นชั้นต่ำก็มี ที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นปราณีก็มีสิบหมิจฉาตตะกกะวิสัชนาะรูปขันเป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นขันสี่ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่เป็นธรรมชาติไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มี 16. มคารมณะตะกกะวิสัชนาะ รูปขันรับรู้อารมณ์ไม่ได้ขันสี่ที่มีมักเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิปดีก็มีที่กลา่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็ น, ปนอารมณ์มีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิปดีก็มีสิบเจ็ดอุปนนะเตกกวิสัชนาขันห้าที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีท <isz> ี่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีสิบแปด อติตาติกะวิสัชนาขันห้าที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอานาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีสิบเก้าอติตารมนะติกะวิสัชนารูปขันรับรู้อารมณ์ไม่ได้ขันสี่ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ มีนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มียี่สิบอจัตตาเถระวิสัชนาขันห้าที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มียีสิอ็ดอจัตตารมณะติกะวิสัชนารูปขันรับรู้อารมณ์ไม่ได้ขันสี่ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มี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 ที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มี